อาตมาอยากจะให้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะว่าถ้าเป็นพระที่ดีแล้วเนี่ยรับรองไม่ไปยุ่งกับเรื่องการใบ้หวยเป็นอันขาดเพราะว่าการใบ้หวยนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของสง์ผิดทั้งธรรมผิดทั้งวินยัยผิดธรรมมันผิดตรงไหนคือพระนี่ ม, นมีหน้าที่สอนคนให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการไปใบ้หวยเนี่ยมันทําให้คนโง่เพราะฉะนั้นมันผิดธรรมมันผิดวินัยก็คือเรื่องของการใบ้หวยเนี่ยมันเป็นมิจฉาอาชีวะมันไม่ใช่หน้าที่ของพระ เพราะฉะนั้นมันก็ผิดทั้งธรรมผิดทั้งเวไนเป็นพระมาใบ้หวยก็เป็นพระที่ต้องบอกว่าน่าสงสารเพราะอะไรเพราะพระนี่มีหน้าที่สอนประชาชนไม่ไม่ใช่มีหน้าที่พาประชาชนเข้ารกรพงเพราะฉะนั้นพระอย่างนี้ถ้าเราเจอท่านเราต้องไปถวายความรู้ท่านว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรคือสิ่งที่ดีงามเน้นที่นี้ไม่เช่นนั้นไหว้นัาา้นน่าถวายความรู้ เพราะแสดงถึงท่านยังไม่รู้อะไรพระที่รู้อะไรแล้วจะไม่ไปทําอะไรอย่างนั้นพระของพระพุทธเจา้าน่ะเป็นพระที่มีเกียรติมากงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นงานที่มีเหตุมีผลมีปัญญาจะไม่ไปชวนญาติโยมทําอะไรติ๊งต้องอย่างนั้นใช่ไหมต้องนอนในกุฏิจะไป น, นอนในลงลงให้คนตายนอนทีนี้ทําต่อไปว่าถ้าฤาษีมาทําอย่างนั้นในมุมของพุทธมองว่าเป็นยังไงอาจาพมองว่าไม่ว่าจะเป็นพระหรือไม่ว่าจะเป็นฤาษี ถ้าเราชัดเจนในหลักของเรานะทั้งพระทั้งฤาษีเนี่ยมีหน้าที่ขัดเกลาร์เตียงให้หมดกิเลสไม่ได้มีหน้าที่มาพาให้ชาวบ้านลุ่มหลงงม ง, งายถ้าทั้งพระก็ดีทั้งฤาษีก็ดีมีหน้าที่ทําให้ชาวบ้านลุ่มหลงงม ง, ง, ง, งายก็ถือว่าไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีวะปฏิญาณของตัวเองคือต่ออาชีพของตัวเองอาชีพของพระที่แท้จริงก็คืออะไรศึกษาปฏิบัติสัมผัสผลและเผยแผ่สิ่งที่ดีงามอาชีพของฤาษี ฤๅษีเนี่ยแปลว่าพูดสแสวงหาคุณนันทิ่งใหญ่แต่คุณมันสแสวงหาเงินหาทองอย่างนี้มันจะสมกับกันเป็นฤๅษีไหมก็ไม่สมเพราะฉะนั้นทั้งพระที่ให้หวยก็ดีฤๅษีที่ให้หวยก็ดีหรือถึงแม้จะจะไม่ให้แต่ว่าเปิดโอกาสให้คนอื่นาไปตีความก็ไม่พ้นจากการถูกตำํำหนิทุกวันนี้สังคมไทยจะเป็นสังคมเลี่ยงบาลีสูงเช่นมีพระไปเจริญพระพุทธมนต์หยดน้ําตาเทียนลงไป โยมาไปตีเป็นเลขพอถูกสำนัก ง, งานผู้ศาสนาแห่งชาติทำจดห ม, มายมาบอกว่าทำไม่ถูกต้องหลวงพ่อก็บอกว่าตามาไม่ได้ทำโยมมันตีกันเองถ้าท่านเป็นพระที่เคารพในพระธรรมอริยไณถึงแม้โยมอเอาไปตีเป็นเลขก็ต้องเรียกโยมมาตำหนิเพราะว่าโยมกําลังแปรเจตนารมของตามาผิดใช่ไหมถ้าเรามีเจตนาที่ดีต่อประชาชนจริงๆถึงแม้เราไม่ได้ทำผิดเองแต่คนอื่นกําลังจะทำผิดแล้วความผิดนั้นมันสืบเนื่องกับเราเราก็ต้องเตือนลูกเสร็จ ไม่ใช่ปล่อยให้ลูกศิษย์ทำและตัวเองก็ปากว่าตาขิตบอกว่าไม่เกี่ยวอันนี้คือสังคมไทยเป็นสังคมเรื่องบาลีไม่ว่าพระไม่ว่าฤาษีมีหน้าที่ขัดเกลากิเลสมีหน้าที่เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของคนแต่ถ้าพาคนไปลุ่มไปหลงในทางโลภก็ดีในทางโกรธก็ดีในทางหลงก็ดีก็ถือว่าท่านกําลังไม่ซื่อสัตว์ต่ออาชีวะปฏิยานคืออาชีพที่แท้จริงของตัวเองอัตมภาพคมไม่บอกว่า เพราะเชื่อมั่นว่าปัญญชนทั้งหลายสามารถวินิจฉัยได้ว่าพ้าที่ดหีหรือสีที่แท้ควรจะทำอะไรเพราะเชลญพรอ